พระบัญญัติ498ก็เพิกสุใดไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าก้าล่วงธรณีประตูเข้าไปในพระตำหนักที่บัรทมของพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ที่ได้รับมูรธาพิเศษแล้วที่พระราชายังไม่เสด็จออกที่นางรัตนะยังไม่เสด็จออกต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระเจ้าประสิทธิโกศลจบ